بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص, ص ل ِ و س ل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م َ لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ร ب บชร ل ล ي صدر ي و ยัสรล ر อัม و ิว ل ผลลูกดัตม ا ن ي สานีย ا ควะว่าูลิอั فعنا بماعلمتنا وعلمنا ماينفعنا وزدنا علما و ب ن ا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين อริ์คารหเมุ ن ا م ر ن ا ر ش د الحمد لله น้องครับเราอยู่ในเดือนรับแล้วนะครับใกล้แล้วเดือน ر م ض ใกล้แล้วนะครับเวลาที่เราจะต้องรู้ตัวแล้วนะครับเตรียมตัวด้วยการ ปรับความตั้งใจของเราปรับอามัลอิบาดะของเราดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะต้อนรับเดือนระมดอนแม้ว่าเวลาจะมีอีกสองเดือนในความรู้สึกของเราว่ามันจะอีกตั้งสองเดือนเราแปลงเป็นคำพูดว่าอีกแค่สองเดือนไม่ใช่อีกตั้งสองเดือนอีกแค่สองเดือนแป๊บเดียวนะครับสุบฮานอัลลอฮ์มชาชาอัลลอฮ หัวใจของมุมินผู้ศรัทธาย่อมต้องเบิกบานย่อมต้องดีใจเวลาที่ได้ยินข่าวว่าอมาดอลใกล้เข้ามาแล้วอินชาอัลลอสุบฮานาวตาล้เพราะฉะนั้นการเรียนของเรานะครับเราอยากจะให้จบก่อนอมดาดอลให้ได้เพราะฉะนั้นนะฮะสุรัตุจุชุครุฟวันนี้อาจจะอ่านตักสีเยอะสักนิดหนึ่งให้มันจบอินชาอัลลอนะครับเราอาจจะ เอ่อผมตั้งใจว่าจะอ่านตั้งแต่อายะที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงอายะที่สามสิบแต่ว่าเราอ่านเราอ่านถึงยี่สิบห้าเราอธิบายจนถึงสามสิบอินชาอัลลอฮ์ะนะมาดูกันเลยนะครับสุรุตุซุครุฟตอนที่สี่อายะที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงเอ่อเราอ่านถึงยี่สิบห้าแต่ว่าเราตัดซีท ถ, ถึงสามสิบไปเลยอินชาอัลละฮ์ ซาฟรุ่นลอฮฺอาบูดุบิลลอฮฺม ي ط ัลชัยตันอ م ล ت จ ن ม ه ั ك อัตยีน่าห์ สะหุงดิมุษม์กบั إ ข้าลูอินดน وإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ م ُ ت َ د ُ و ن َ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي ق َ ر ِ ي َ ة ٍ مِن إ, <مت رف> <ها> <إ ิลล ا าข้าว่าไม่ทรัฟว่าไอ้น้าว وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم ْ مُقْتَدُونَ ۚ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم ب ِ أ َ ه ْ د َ ا م ِ مَا ّ وَجَدْتُ م ْ ทุมตุมตุมตุมตุมตุมตุมตุมตุมตุ ل ตุมตุมตุมตุมตุ สิรูสรรทั้งนั้นสรรทั้งนั้นสรรทั้งนั้นสรรทั้งนั้นสรรท บิานุสุรไกรบสุรบานุสุรไกรนุรารานุสุรกรบรกบานุสกรรกรบรไรบานุไกรบไนุสุรไกรบานุสุรไกราุสรไกรนุสรกรุรกรนุรไกรนสกนุไรบานสุรานนบุ ตอนที to to ่ผ่านมานะครับเราได้ทราบมาแล้วว่าพฤติกรรมของคนพวกนี้กล่าวอ้างต่อ Allah Subhanahu wa Taala ด้วยเรื่องเสียเสียหายหายอ้างว่า a l l a ต Taala นั้นมีลูกอ้างว่า Allah มีลูกสาวส่วนลูกชายเนี่ย Allah สร้างให้กับพวกเขาให้กับให้กับพวกโเรชให้กับมนุษย์ส่วน Allah เองเนี่ยเอาลูกสาวมาอิคัดก็เป็นลูกสาวของ Allah لا حول ولا قوة إلا بالله นี่คือคำพูดหรือพฤติกรรมของพวกนักริกิตเวลาที่ตอบโต้ไม่ได้ก็บอกว่าถ้าอัลลอฮฺทั้ลาไม่อนุมตัติไม่อนุญาตเราก็จะไม่กรบพักดีเราจะไม่บูชามลอยกัดเหล่านี้เพราะเขาบูชาสิ่งอื่นนะครับชิริกต่ออัลลอฮฺแต่กลับอ้างอะไรนะกฎหรือการกำหนด่ออัลลอได้อย่างไรทีนี้วันนี้ก็ยังไม่หมด การกล่าวอ้างทั้งหมดที่กล่าวนะที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ด้วยปัญญาปัญญารับไม่ได้เลยคือสับ ส, บ ส, บสนในตัวเองไม่เชื่อ Allah แต่บอกว่า a l า a h แต่ละมีลูกสาวตัวเองตัวเองไม่ชอบลูกสาวแล้วโยนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบให้กับ Allah มันย้อนแยง้งสเปะสปะอุ่นวายมากมายสติปัญญาของคนที่ ปกติยอม ต, อต้องรับไม่ได้นะการกล่าวอ้างแบบนี้ทีนี้ทางสติปัญญาทางปัญญาก็รับไม่ได้มีหลักฐานอะไรอีกที่จะใช้กล่าวอ้างมีคำพีด้วยไหมเาลเาจ ะ, ะถามต่อที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดเนี่ยปัญญารับไม่ได้เลยคนทั่วไปที่มีปัญญาสมบูรณ์ปกติดีรับการกล่าวอ้างยอมรับ ไม่มีทางที่จะยอมรับการกล่าวอ้างของพวกนิชริกีนตางที่กล่าวมาในเมื่อหลักฐานทางปัญญาไม่เป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยมีหลักฐานอื่นไหมมีหลักฐานที่เป็นตำรับตำราที่อลัลลอฮ ป, ประทานลงมาไหมอันนี้คือคำถามในอายะที่2 1อามอาตีนาฮุมกิทาบันมิ่กับล เราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้กับพวกเขาเล่มหนึ่งมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพวกเขาก็เลยอ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปยังคัมภีร์เล่มนี้มีไหมพวกโกเรชมีคำภีรหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญาตรรับไม่ได้คัมภีร์ก็ไม่มีตำราก็ไม่มีที่จะให้กล่าวอ้างที่จะให้ยืนยันสิ่งที่พวกเขาพูดฟะหฮ์มบิฮีมุสตัมสิกูลไม่มีคมภีที่ให้พวกเขานั้นได้ยึดถือยึดมัน เอาไว้เป็นหลักฐานในการกล่าวอ้างของพวกเขาเพราะฉะนั้นในภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าด a ริลุลอาคลีว่ดาริลุลนักลีดาริลุลอาคลีก็คือการใช้ตรร ก, กะทางปัญญาเป็นหลักฐานดลุนลตัวเปลี่ยนตัวนูนเปลี่ยนตัวอนเป็นตัวนูนอล a i of a m ดาริลาอาคลหมายถึงสติปัญญาก็คือใช้ตรร ก, กะ ใช้ในการอธิบายเหตุด้วยเหตุด้วยผลถามว่ามีไหมด ليل ุลอักลีพวกผู้ชี่ยวชไม่มีรับไม่ได้ไม่มีด ليل ุลอัคลีเอามีดลี่ ل ุลนักลีมีไหมด ليل ุลนักลีก็คือหลักฐานที่เล่าต่อกันมาจากตำรับตำราที่เชื่อถือได้มีด้วยไหมไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งหลักฐานทางปัญญาและหลักฐานที่เล่าต่อกันมาจากคำพี่ พวกเขาล้วนไม่มีแล้วเอามาจากไหนคํากล่าวอ้างพวกนี้มาจากการกล่าวลอยๆด้วยอารมณ์และฮาวานัฟซูแค่นั้นเองอ่านี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้ตอกย้ําแล้วก็ได้ตอบโต้คนเหล่านี้นะฟะฮุมบิฮิมุสตัมสิกูนมาดูคําตอบไม่มีคําพีไม่มีตะ ก, กะเบลกาลู แต่ว่าพวกเขาตอบว่าอย่างไ ร, In อ, อ, งรอินนี่คือหลักฐานของพวกโมชิิกินอันี่คือหลักฐานที่พวกเขาใช้อ้างที่พวกเขาประพฤติปฏิบัติมาทั้งหดเนี่ยเอาหลักฐานมาจากไหนนี่แหละคือหลักฐานของพวกเขาอินาเดนาอาบาออาลาอุมเราทำตามปุยตายายบรรพบุรุษของเรานี่คือหลักฐานของใคร บางพวกมุสลิมที่ทําที่ชีริกทั้งหบทที่บูชาโน่บูชานี่ที่กล่าวอ้างอย่างน้นกล่าวอ้างอย่างนี้เนี่ยอ้างว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราทํามาอย่างนี้เราก็เลยวอินนาลาอัลอาซาริฮิมอตะดูดังนั้นเราก็เลยดําเนินตามแนวทางของคนก่อนหน้าเราจบอัลลอฮฺ แค่นี้แหละคุณนคุ้นไหมพวกเราไอๆการกล่าวอ้างแบบนี้คุณ น, นุ้นไหม ส, มสมัยนี้ก็มีใช่ไหมเดี๋ยวมาดูความย้อนแยง้งของคนเหล่านี้แม้กระทั่งหลักฐานที่พวกเขาบอกว่าเอ้ยเราเห็นปู่ย่าตายายเราทํามาอย่างนี้เราจะมาเปลี่ยนทําไมของปู่ย่าตายายเราเราก็ต้องทําตามปู่ย่าตายายเราสิจริงๆแล้วคําพูดนี้มันย้อนแย้งในตัวเองย้อนแย้งยังไงเดี๋ยวจะได้รู้กันแต่นี่คือการกล่าวอ้าง บางพวกม่ชื่กินที่จะชื่อกอยู่ต่อไปไม่ยอมตามนนบี Muhammad ﷺ ไม่ยอมศรัทธาละตลาบวยง ل ك มาอ رسل นาในก่อรตมินนีอิลลากามุรฟูฮาอินน้นาอาบานาอลาอุม้วินนาอัลอาาริ ก็จะดูคคำพูดของพวกมุชลิกีเนี่ยเป็นคาพูดเก่าหรือว่าเป็นคาพูดใหม่หรือว่ามีเฉพาะพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เลยก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดอย่างนี้มาก่อแล้วทุกประชาชาติมีแต่คำกล่าวอ้างนี้ทั้งหมดเลยสุภานัลลอฮ์แล้วแต่เราบอกว่าอย่างไงนั่นแหละว่ากาลิขเช่นเดียวกันนั่นแหละ มาอ رسل นามิ่บลกะใตตินทุกครั้งที่เราส่งรซูลมาไปยังประชาชาติหนึ่งไปยังบ้านเมืองหนึ่งแล้วเป็นยังไงอิลลัลกาลมุทรฟูฮทุกครั้งที่ท่านที่อัลลอลาส่งรสซูลไปส่งนบีไปประชาชาติใดบรรดาคนที่เป็นพวกมุตรฟูฮาหมายถึงพวกชนชั้นมีอันจะกิน พวกคนรวยพวกมีหน้ามีตาในสังคมนั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้แหละที่มีปัญหาไอ้ที่ออกมาต่อต้านรอสูลของลที่ออกมาขัดขวางนาบีของล l เนี่ยส่วนใหญ่แลยจะเป็นพวกนี้แหละเป็นแกนนาไอ้พวกที่ก็เรียกว่าถ้าหากตามถ้าหากคน ในเมืองหรือว่าคนในในหมู่บ้านคนในประชาชาตินั้นๆเชื่อรอซูแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะเสียประโยชน์อันนี้คือพวกมุทรฟูฮาพวกนี้แหละที่จะมีปากเสียงที่จะแข็งขืนแข็งพวกกรเรชก็เหมือนกันพวกกรเรชหัวโจของโกรเรชเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกมุทรฟูฮาพวกมีระดับในสังคมพวกที่มีผลประโยชน์ก่อนหน้านี้เขา คนอื่นตามตัวเองอยู่แล้วอยู่ดีๆจะมีรอซูลมาคนหนึง่งแล้วจะให้ไปตามรอซูลคนนี้แล้วตัวเองใครจะตามอ่ะตัวเองใครจะตามตัวเองก็ต้องไปตามรอซูลอย่างนั้นเหรอจากเดิมที่เคยเป็นหัวมาต้องเป็นหางอย่างนี้เหรอไม่เอาอ่าพวกนี้แหละที่ต่อต้านปัญหา نبي เช่นเดียวกับพวกโเรชสอุทรฟูฮะคนหล่านี้จะพูดว่ายังไงอินนาวเจดนาอาลาอาบอานาอาลาอุม เราเนี่ยมีบรรพบุรุษเรามีประเพณีเรามีค่านิยมของปุย่าตายายคนโบราณมาแต่ก่อนการแล้วอยู่ๆจะมีคนมาบอกให้เปลี่ยนแป ล, ปลงได้ยังไงไม่ได้สุบฮานัลลอฮว่าอินอาล่าซาริฮิมุกตัดูนเราจะขอยุดมั่นปฏิบัติตามแนวทางของบรรพบุรุษครับมีเฉพาะในพวกโกรธใช่ไหมไม่ใช่มีมาตั้งนานแล้ว ก่เรชมาน บ, บีอื่นๆมาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแล้วมีหลังจากโคเรชด้วยไหมฮะหลังจากโุเรชก็สมัยเรามีด้วยไหมก็มีคําอ้าง น, นี้เนี่ยเป็นคําอ้างของพวกโคเรชระหว่างนี้ใครที่ชอบอ้างแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปตรงกับพวกอบ у จาฮัลละบูลอาฮับนะไปเจระวังให้ดีนะแต่อย่าอ้างแบบนี้นะมันไม่ใช่อ้างด้วยปัญญาก็ไม่ใช่ อ้างด้วยพระอานุนนะก็ไม่ใช่อ้างด้วยอะไรอ้างด้วยอารมณ์และอวันับสูประเพณี้าไม่ยงเดิมเดิมละอิลลัฮิลลอฮ์ท่านนบีถามว่ายังไงอ่ะแล้วแต่อะไรให้ท่านนบีตอบกลับแล้วก็ถามคนเหล่านี้ว่ายังไงโอละนบีนบีในแต่ละประชาชาติเนี่ยตอบโต้คํากล่าวอ้างของประชาชาติตัวเองว่ายังไงแล้วดีตุกุณเป่าเดะมิมมา وجد ตุมอัลเลย์อาบ้าคุณ ที่พวกเจ้าบอกว่าเราจะตามบรรพบุรุษเราเนี่ยแม้เกิดทั่งว่าสิ่งที่ฉันนํามาเนี่ยมันดีกว่าของบรรพบุรุษพวกเจ้าก็จะไม่ตามกันนั้นหรือกระจายไหมครับตอยึดยุดติดตาซุปตาซุปภาษาไทยแปลว่าอะไรอ่ะยึดผักห ย, ยึดพวกยุดโดยหลับหูหลับตาเนี่ยก็เรียกว่าตาซุปไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความเป็นธรรมใดๆทั้งสิ้น จะตามอย่างเชิงชันอย่างเงี้ยใครจะว่ายังไงไม่เอาปิดหูปิดตาไม่เอาอันนี้คือตาซุปนบีทุกคนรอซูลทุกคนถามประชาชาติของตัวเองว่าเนี่ยของบรรพบุรุษนี่มันเก่าไปแล้วมันไม่ดีมันเน่ามันเสียไปแล้วที่ฉันนํามาเนี่ยมันถูกต้องกว่ามันดีกว่าพวกเจ้าเกาไม่เอาอย่างนั้นเหรอไม่เอาดียังไงก็ไม่เอาถูกต้องยังไงก็ไม่เอาจะเอาของของใครของบรรพบุรุษดีกว่า อ่าไม่ออกหลับหูหลับตายอย่างเดียวใครสมัย อ, อดีตมาว่ายังไงถูกผิดฉันไม่สนใจขอให้มันเป็นแนวทางของอุญาตายายฉันฉันก็พอใจแล้วนี่คือคำพูดของพวกมุชรินอัลกิยาตุบิลลาฮิมินดาลิกเนี่ยกลูาอินนาบมาอูรุิลตุมบิฮิคาฟรุนพวกเขาตอบบรรดา ر س ูลว่า เราขอปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาไม่เอานุ่มมานะนุน ก, กาฟิรุนไม่เอาเราไม่เอานุ่มเราปฏิเสธนุ่มพูดมานะนุน ก, กาฟิรุนเราขอปฏิเสธพูดนะซอเลห์มาไม่เอากาฟิรุนก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมาความมัดมาก็ไม่เอาเอาใครเอาปูญาตายายนี่คือคํากล่าวอ้างของ المشركون والعياذ بالله من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ถูกใจกันเรากัน Allah ัลละบอกว่าฟันตกลงมานั้มดังนั้นเราจึงได้ตอบแทนพวกเขาได้ลงโทษพวกเขาในตอนท้ายฟันดูคือว่าการล่มสลาย ของคนที่ไม่เอาชารีอะต์อ Allah บทบัญญัติตงอ Allah อักดิดะต่อ Allah เส้นทางข่อ Allah สุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายจะต้องเจอกับอะไรวนเวียนอยู่อย่างนี้มาไม่รู้กี่ยุคสมัยนะครับตั้งแต่ยุคของนบีนูฮ์จนกระทั่งถึงยุคของนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอรอบอิรบเดิมอิรบเดิมๆดังนั้นเลยข้ออ้างเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆ และสุดท้ายก็จะต้องเจอกับปันปลายเดิมๆเช่นที่ประชาชาติที่ถูกทำลายก่อนหน้านี้เคยประสบมาก่อนอ่ะทีนี้มาดูอายะที่ี่สิบหกที่เราไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังที่พวกเขาบอกว่าจะตามปู่ย่าตายายเนี่ยแล้วเราบอกว่าทเกล่าวอ้างนี้มันย้อนแยง้งมันสับสนเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดมด ตะกะก็รับไม่ได้หลักฐานทางคัมภีร์ก็ไม่มีแล้วที่อ้างว่าตามปู่ย่าตายายตัว่ว่าอ้างปู่ย่าตายายนี่อ้างตัวรอ้างผิดเขา่ลาบอกว่าเนี่ยยกนบีอิบรอฮมมาว่าอิลกลอิบรฮมลอีหิวอคอมอินนนีบรอมิมมาตอบุดูอิลลัลดีฟตรนีฟะอินนูซยฮดี นบีอิบรอฮิมนี่คือใครครับคือบารมม์มาภะบรนภะบุรุษบารม์ปุยยาตายายของใครของกุเรชพวกกุเรชอ้างว่าที่ตัวเองบูชารูปั้นเนี่ยตามปุย่าตายายอ่ะทังนั้นเรามาดูปุยยาตายายของกุเรชจริงๆปุยยาตายายจริงๆตัวจริงของพวกกุเรชคือใครคืออิบรอฮิ อะไรคิดแสดใช่หรือไม่ต้นตระกูลของกุเรชมาจากไหนมาจากอิบราฮมเริ่มนับจากอิบราฮิมแล้วก็อิสมาอีลอาอนนเป็นกระทั่งมาถึงพวกกเรชทั้งหมดบานีกุรเรชบานีวมักกะที่นี่อิบราฮิมเนี่ยางอิบราฮมกูเรชเนี่ยลองมาเปรียบเทียบดู ในขณะที่กุเรชบอกว่าฉันเอาหมดสาร้อยหกสิบตัวที่อยู่รอบกะบะตามอุญาตายายของฉันอิบราฮมว่ายางไงอิบรฮมบอกว่าอินนบรอุอินนนิบรอุิมาตอบุดูในสมัยอิบราฮิมพ่อของอิบราฮิมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรูปปัน้นพรรคพวกของอิบราฮิมสมัยนั้นสังคมบ้านเมืองของอิบราฮมสมัยนั้นก็ อาวรุกูชารุกันแต่อิบรอฮิมกลับพูดกับผู้เล่านี้ว่าอินนันี่บ่าว่าอุมมิมจับอุดดฉันไม่ยุ่งฉันไม่ขอบข้องเกี่ยวฉันขอบอยู่คนละข้างกันกับพฤติกรรมของการชิริกเข้าใจไหมครับอิบรอฮิมอยู่คนละข้างกับชิริกแต่พวกกูร์เชนี่บอกว่าชิริกเป็นของปู่ย่าตายายตกลงย้อนแยงไหมย้อนแย้งอย่างชัดเจน อัลลอะลายยกกรณีอิบรอฮิมขึ้นมาเนี่ยเขื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะพวกเจ้าบอกว่าพวกเจ้าจะตามปู่ย่าตายายไม่ใช่หรอแล้วทําไมไม่ตามอิบราฮิมละ่ะอิบราฮิมที่มีอัครีตตั ว, ว يد, อุฮิดให้กอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบานอัลตะลาทำไมพวกเจ้าไม่ตามอิบราฮิมในเมื่อพวกเจ้าอ้างว่าจะจะตามปู่ย่าตายายของพวกเจ้าและอิบราฮิมไม่ใช่ปู่สุดที่สุดของเจ้าแล้วไม่ใช่หรือแล้วทำไมไม่พูดเหมือนอิบราฮิมพูดอ่ะ แต่กลับพูดคนละแบบกันกับอิบราฮีมอะไรสลาตัวสละกระจาไหมครับอ่านี่คืออ่าเขาเรียกว่าจุดประสงค์ที่เอาอิบราฮีมมาพูดตรงนี้บอกว่าอย่างไงเดี๋ยวดูตับซส้นหนึ่ง <c oughs> ไ, ไหนนะไม่เจอ Naya, naya, reng, reng, jah, jah, tak macam lah. Mak bila macam mana? Mak tak macam lah. Mak tak macam lah. Mak tak macam lah. Mak tak macam lah. m งเงอว่า ذكرهم อ่าฮะว่า ذكر ว่า ك ر ว่า ذكرهم سبحانه هنا บิฮัลีอิบรอฮิมอ่นิงเงอที่บอกว่าเหตุผลที่พูดถึงเรื่องราวของอิบรอฮิมตรงนี้ว่าอะไรเล م ่อนนั้นَขาเป็นอัลลอฮ์ที่เปَ ع ผู้ส hit َ้างทั้งโลกทั้งี้วัค์รวัลลัีน ดิอัาลลอฮฺ ت ع ا ل อิบราฮิมมายกนั่งตรงนี้เพราะว่าพวกาุเรชเนี่ยนะยกยองอิบรอฮิมจะตายและเป็นที่อวดอ้างว่าเนี่ยตัวเองเป็นลูกหลานของอิบรอฮิมเวลาไปพูดกับคนอื่นเนี่ยอวดอ้างวาัเนี้ฉันเป็นลูกอิบราฮิมฉันเป็นหลานอิบรอฮิมฉันเป็นตระกูลอิบรอฮิมแล้วทําไมแล้วทําไมไม่ตามอิบรอฮิมแล้วที่บอกว่าตามอุย่าตายายตกลงตามใครอุย่าตายายคนไหน ถึงอิบราฮิมรับแล้วฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟัง ه ะฟังนะฟังนะฟัง ل ะ ل ังนะฟังนะฟั ل นะฟ ا งนะฟั د นะฟังนะฟังนะ ب ังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะงนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังนนังนนะฟนะฟังนะฟังนะฟังนะฟังัง รูปเคารพบูชาเหล่านี <in> ้แล <im> ้วเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ตามปู่ของพวกเจ้าที่พวกเจ้าภูมิใจกันนักในการที่จะปฏิเสธสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะอิบราฮิมว่ายังไงอินนนิบราอุมิมมะตบ ب ดู ن อิลลัลละีฟตารานีนอกจากอัลลอฮ์อุสรมชางชานมาเท่านั้นเปินนหุเซยฮดีน พระ อ, องค์เท่านั้นที่จะให้ฮิดายัตกับฉันนี่คือคำพูดของอิบราฮีมประกาศชัดเจนในเรื่องของอัคดิดตะฮิวความหมายของคำพูดนี้ก็คือละอิลลัฮอิลลัลลอฮสรุปย่ายงอิบราฮีมเนี่ยเอาอัีดิดอะไรมาเอาอัีดิดละอิลลัฮอิลลัลลอฮซึ่งเป็นอกีดิดที่พวกกุเรชรับไหมไม่ยอมรับและอัีดิดนี้ไม่ได้สูญหายไปนะ ไม่ใช <S ess> ่ว <S ess> ่าอิบรฮมเอามาบอกกหลานแล้วก็อยู่ระยะหนึ่งมันหายไปในสังคมุรชมมีสักคนเลยไม่ยังคงมีร่องรอยอยู่จนกระทั่งถึงยุคของุรชถึงยุคของนบี m u h a m a d l l a h บอกว่ายังไงวา t h k i n b a tan fi a i b i o เนี่ย Uh, ayat ni, ayat ni uh, Rasulullah sih catat sih dari samba. Wajalaha ja Allah Taala tamhai kalimatut tauhid, tamhai kalimat la ilaha illallah di Ibrahim kay perkata nya, miring rong rai leh ya, dalam anak anak dari tangan, hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga h i n g i a h i a h i a h i a h a a h a h a h a h i n a h a n g a h i n a h i a h a h i n g อิบราฮิมได้สังเสียได้สังเสียคำิมาตุธาวฮิดเนี่ยคำว่าละอิลลัฮอิลลัลลอฮเนี่ยอิบราฮิมได้สังเสียสังเสียใครสังเสียลูกหลานของท่านตั้งแต่สมัยของท่านจนกระทั่งถึงยุค ข, ของพวกออเรชทั้งสองความหมายมันไม่ได้ชนกันแต่เพราะว่าจุด ป, ประสงค์ก็คือจะบอกว่าการประกาศคำว่าละอิลลัฮอ il ิลลัลลอฮมีตั้งแต่สมัยอิบราฮิมแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึง ยุคของอุเรชแม้ว่าในช่วงหลังๆนี้จะมีการชิริกจะมีการเอารุปปั้นเข้ามาในมักกะแต่ถามว่าคนที่ยังยึดถืออยู่กับแนวทางของอิบราฮีมในมักกะเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีอยู่อ่ามีอยู่ว่าจะเล่าคำคําที่เหลือีอักิบีฮิรองเหเล่านี้ร้องรอยคำิมาละอิละฮอิลลัลลอฮเนี่ยยังคงมีอยู่ในลูกหลานของอิบรอฮม ละอัลละฮุมยารเจอหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยจะได้กลับไปสู่กัลิมห์นี้กันทุกคนรัตละลัเหลือไว้ไม่ได้ทําให้มันสูญหายไปแต่อย่างใดนะอาจจะมีการเอาชิริกเข้ามาในมักกะก็ตามแต่ว่าอัลฮานิฟียะเนาะศาสนาของอิบราฮิมนี่คนมักกะซามันนั้นเขาจะเรียกว่าอัลฮานิฟียะคนที่อยู่บนเส้นทางอันบริสุทธิ์ศาสนาของอิบราฮิม Kontin uh, mikalimah la ilaha illallah kau yang ni, Yunai samaina. Subhanallah. Perkara nen. Hendai kau lawan ni jeng. Mintaam Ibrahim ayat 20 kali. Nih kau sahaj. Sahaj ti kuqurish suanyai. Mijam atau kalimah la ilaha illallah. Yutromi. Yutih hey, uh, yu, Allah taala bahwa bel มตตัวอ๋อลาอแะอาบาอัมถาจาอมลฮกวาูลมุบีทว่าราได้ทาให้คนลานีมีความสุขสารานอยู่สบายเกินไปมีทุกอย่างร่ารวย มีทรัพย์สินมีลูกหลานมีอำนาจนี่แหละที่เราเรียกว่าพวกมุทราฟูฮะพวกวีไอพีในสังคมมักกะคนพวกนี้เป็นพวกที่อยู่สบายเป็นพวกที่มีผลประโยชน์ในสังคมเยอะแยะมากมาอลตตะลาก็ให้ سبحان อัลลอฮฺเบลเมตตฮอุลแลอาบฮมชะฮวาอลตะละให้พวกนี้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสาราญด้วยชาวาตต่างๆความปรารถนาอยากจะได้อะไรได้หมดเลย حتى. อยนนี้ตับเสียของอัสสัดีนะครับท่านบอกว่า حتى صارت هي غ ا ي ت คนเราเวลาสบายเกินเนี่ยมันจะเคยชินความสบายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่เครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุถึงการ กลับไปอย่าง Allah Subhanahu Wa Taala เราสบายมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆนั้นนะให้เราทำอิบาดะต่อ Allah ได้อย่างสะดวกสบายได้ทำความดีได้ซัตดะก ah, ็ได้บริจาคได้อะไรถูกต้องไหมครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งมันเป็นเหมือนเส้นบางๆพอสบายจนเกินไปเนี่ยวนเวียนอยู่กับความสะดวกความสบาย จากเครื่องมือมันจะกลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเองเข้าใจไหยครับตอนแรกเนี่ยความสบายเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าสู่ล l l a h แต่พอเราสบายเยอะเกินสบายเยอะเกินก็กลายเป็นว่าเป้าหมายไปสู่ Allah มันไม่มีแล้วมันกลายเป็นว่าเป้าหมายก็คือฉันต้องสบายไว้ก่อนเข้าใจไหมนี่คือความน่ากลัวของบททดสอบที่เรียกว่า ความสุขสำราญความสบายัลยาะบบิลล์มิาเลกเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงหลายยุคหลายสมัยเราเจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากสมัยมูซ่าใครครับกอรุนกอรูนเนี่ยเป็นพวกของมูซานะตอนแรกเป็นคนที่ลำบากก็ไปขอดูอาจากมูซาเขาบอกให้มูซาช่วยขอดูอาให้ตาละทำให้ตัวเองมีหน่อย อุษาก็ขอดูอาให้สุดท้ายร่ำรวยจนกระทั่งสุดท้ายว่าอย่างไงไม่เชื่อ a l l ะแล้วเชื่อว่าตัวเองเป็นคนขวนขวายทั้งหมดที่ตัวเองได้มาอันนี้ระวังให้ดีอันนี้เป็นโรคหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราที่พอสบายแล้วลืมเป้าหมายเดิมว่าเราใช้ความสบายเพื่อเข้าหาล l l a h พอเราลืมเป้าหมายเดิมเนี่ยความสบายมันจะกลายเป็นวัตถุหรือว่ากลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเอง ไม่มีอัลล์ تعالى อิกราภัยพวกกูรรษก็เป็นยังไงบัลมาตั้งตัวเหลาอัลล์ تعالى ให้พวกมิสบายสบายสบายสบายวาอาบะอัลฮน้าคนบรรพบุรุษก็สบายอยู่สบายถ้าต่สารับ غايتهم ถ้าแต่สารับเฮีย غ ا ه م วันหนาจะมักสุดดิมซุบฮ์ฮานะห์ฟัลม์ทั้ยัติรับหุบหาฟิกลูบิม حتى ซาร์ตศัพท์นราศีขะและข้อไอด้ามุตอาศิละนี่คือการตั้งของอิม่อมอาษัดีทันบอกอย่างนี้เลยเวลาที่มนุษย์ตามชัวหัวของตัวเองเยะอะเกินไปเนี่ยพอคุณพอมันกลายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันหยุดสบายไม่ได้แล้วโอ้ยลำบางนิดหน่อยที่เราอยู่ไม่ถูก <laughs> คุณเคยนอนในห้องแอร พอแอพอแอดับแล้วต้องใช้พัดโลมโหนอนไม่ได้ล <c> ย <oughs> il อิละฮ์อิลลัลลอฮ์อ่าระวังให้ดีนะครับอันนี้เราเปรียบเทียบไปเห็นภาพง่ายๆมันมีขั้นมันมีมันเป็นบททดสอบที่อาจจะถึงขั้นทำลายความศรัทธาของเราได้ต้องรู้ทันนะครับลยอิละฮ์อิลลัลลอฮแต่มันเคยเกิดขึ้นกับประชาชาติก่อนหน้านี้ เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีในพวกอไรชมาแล้วแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นในยุคของเราได้อย่างไรแน่นอนนะมันสามารถที่จะเกิดขึ้นในยุคของเราได้ด้วยละอิลล่าอิลล allah ละฮะวะละวะละกุรอห์เอิลลับิลเปะ حتّى ج ا ء ุ م الحق ورسول مُبِيَدتن บัตฮ َم رَسُولٌ ได้มาย่งพวกเขาอละก็ลาสองรัสูลมาพอสบายสบายสบายเกินกลายเป็น ชีริกกลายเป็นกูฟอร์และตลาดก็ส่งรอซูลมาเพื่อที่จะสกิดเตือนเพื่อที่จะมาเตือนเพื่อที่จะมาตักเตือนให้อว่านะท่านจะเอา mulhaku จนกระทั่งสัจธรรมได้มาหาพวกะเขาว่ารอซูลมูบินและรอซูลที่มาชี้แจงอย่างพวกเขาแต่พฤติกรรมของพวกเขาหลังจากที่รอซูลมาเป็นยังไงว่าแล้วมาจะเอา mulhaku ท si ั้วน si ั็นนี่นม่ใช่ ว่าอิِ ك บ ا ف ِฟُร ن َเราขอปฏิเสธเราขอกูฟอร์กับบอสูลที่เอาความจริงซึ่งพวกเขากล่าวอ้างว่าเป็นไซยาส์วัลอียากุบิลละเปน้องครับสังเกตดูให้ดีคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่กูฟรปฏิเสธอย่างเดียวไม่ใช่แต่มากกว่านั้นก็คือกูฟรอย่างเดียวไม่พ อ, อยังกล่าวหา รอูลด um ้วยเราหาท่านนบีสลลัลลอฮุซลลัมด้วยกูฟรก็คือแค่ไม่ยอมรับแต่บอกว่าเป็นมายากรเป็นไยสศาสตร์เนี่ยคือการกล่าวหาซึ่งมันมากกว่าการกูฟรเป็นกูฟรบนกฟอรอีกทีนึ่ง واللهيا جبريل الله فإنهم لم يكتفوا بمجرد ا ل إ ر ا ض عنه بل ولا ج د ه ไปใายภาพท่านนบีสุลต่านุลลามด้วยภาพที่สกปรกที่สุดวะละยาดอเบลล่าการเล่นไสยศาสตร์การเล่นอะไรพวกนี้มันเป็นของเล่นของใครเป็นของเล่นของพวกหมอผีเป็นของเล่นของคนี่คลุกอยู่กับเรื่องราวสกปรกโสมุบวะละยาดอเบลล่า นี่คือพฤติกรรมของพวกมุสลิกีนนะอูซุบิลลาหิมิงจาริกไม่ใช่แค่กูฟอร์อย่างเดียวแต่ดึงเกียรติยศของท่านนบีสุลตานุสันลัมที่สูงส่งให้ลงมาตบตามยิ่งนักวะลัยฮุบิลลาฮ์ลาฮาวะลาโควะต์อิลลาบิลลาฮ์แล้วจะไม่ให้พวกเขาจะไม่ให้อัลลอฮฺจาราลงโทษคนเหล่านี้ได้อย่างไร จะให้อ e. ah. nah, ta ัลลลาเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นอาชญากรได้อย่างไรนะอูซบิลลา์นฮลาวลอลลบิลลาห์นี่คือสรุปวันนี้สำหรับวันนี้ตั้งแต่อายะห์ที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงสามสิบว่าสุบฮานัลอสุรุตุซุครุฟเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่แรกเนี่ยอัลลอลลาเหมือนกับ จะเอาทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมของพวกรชเนี่ยมารวมในสุราห์นี้ให้เรารู้หมดเลยเริ่มนับตั้งแต่อะไรบ้างลองนับตั้งแต่แรกสิลองนับตั้งแต่เรื่องแรกเลยอาวลันในท a f i r นี้บอกว่าอย่างนี้ฮะดะวะุตะมุลฟิฮะดีลอาเยต์ลกีรีมาย่ราฮะมันอัจมีลอาเยต์ลกุรานีอัลลฮักตลควาลอัลบาิล ا ل า ي تفوه بها المشركون Allah Taala روم كمبون สกปรกของพวกมุชรินในสุรษนี้เยอะมากแล้วพระองค์ก็ตอบกลับไปหมดเลยอันดับแรกเลยอววัลันอันดับแรกเลยก็คืออ้างว่า a ล l a h Taala milu Allah Taala ك ตอบกลับไปอันที่สอง second حلوهم “عندما يبشرون بالأنثى وتحكمت بهن حين نسبوا إلى الله” นั่นคือตอนที่พวกเขาปฏิเสธลูกสาวแล้วก็เอาลูกสาวนี่ไปโยงกับอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺก็ตอบกลับไปเหมือนกัน” “أنتساب ثالثا أنهم حكموا على الملائكة بأنهم إنس” พวกเขากล่าวว่า “ملائكة” นี่เป็นหุยง “سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله” อ้าละตกตอบกลับไปพวกเขารู้ได้ยังไงว่ามาเเป็นผู้หญิงพวกเขาดูใช่ไหมตอนที่ละตสร้างมาเล็ไม่ได้ดูแล้วรู้ได้ยังไงอันที่ซมาอาีรุฮุมอัลลัตติอัลทารูบิฮะอินดามาฮมลฮุจจุดดามิห์ตักาลารนการที่พวกเขากล่าวอ้างว่าละตลาเป็นคนอนุญาให้เราบูชาให้เราชิกสุดท้าย ไม่มีนะครับเป็นการกล่าวอ้างอย่างโกหก้เชตอันที่ห้าการที่พวกเขาพยายามอันอลสริหิมอัลกูฟริหิมเมยัตนิดูอลาดลลินอัลีหรือนลีวอินนมสตนดูอลาชัยอวาิกลีดลอาบิมฟีจลิิมะดลลิอันที่ก็คือความที่ดื้อดนตอสุดบอกว่าเราตามบรรพบุรุษของเรา สุดทายละตระาตอบกลับด้วยการยกอับีอิบรอฮีมซึ่งเป็นปู่คนแรกของพวกเขาพ่อคนแรกของพวกเขาซึ่งไม่ได้มีชิริกเหมือนกับที่พวกเขากล่าวอ้างแต่อย่างใดแล้วทํามาพวกเขาถึงไม่ตามอิบรอฮิมจบเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมีอีกยังไม่จบเฉพาะรอบนี้ยังมีอีกรอบหน้านี่มีคํากล่าวอ้างอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับท่านอบดีมุ hammad เดี๋ยวมาดูกัน อะ Allah นะครับ Allah m u ล t อ a n لا إله إلا الله บางทีการเรียนรู้นิสัยของพวกมุสริมีเหล่านี้เนี่ยทําให้เราเข้าใจสภาพว่าการดะา ว, ว่าของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺสะลาหา์ลลาเป็นอย่างไรแ ล, แล้วบางทีคํากล่าวอ้างของพวกมุชริมีนในสมัยหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหน ลองดูสภาพของคนที่ปฏิเสธอิสลามในยุคปัจจุบันนะมันจะเหมือนกับคนเวียนอยู่ในขําเกลา้าอ้างกับพวกผู้ชริกินพวกนี้แหละไม่เชื่อลองกลับไปเปรียบเทียบดูไม่ได้ต่างกันเลยนะอูซูบิลดาฮิมินซาลิกอัลฮัมดุลิลลาฮ์ในที่เราได้เรียนอัลกุรอานเราได้เข้าใจความคิดของคนพวกนี้บางทีเราก็ต้องรู้รู้ความคิดของคนที่ไม่ยอมรับอิสลามไม่ยอมรับอัลลอฮฺซุบะฮฺรราะถาลาไม่ยอมรับอัามร์สัลลัลลอฮฺอัลลอฮ เป็นเพราะอะไรมันติดขัดอยู่ตรงไหนมันเหมือนมีปม อ, อะไรอยู่ในหัวะรู้แต่ถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยคลายเขาช่วยคลายปมให้เขาเนี่ยเราจะได้มีวิธีในการที่จะคลายปมให้เขาหรือบางทีเราสมมอบสุร้อนนี้ให้เขาไปเลยให้เขาไปอ่านเลยว่าเนี่ยปัญหาของตัวเองเหมือนกับปัญหาในสุร้อนสุครุภ์ไหมปัญหาในสุร้อนสุครุภเนี่ยเหมือนอะไรรู้ลร่วงหน้าเลยว่าคนมันจะพูดอย่างนี้อ่ะเอาไปอ่านเสียอาจจะได้แก้ปม ผมด้อยของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยจะได้หมดหมดไปสักทีนี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอุลกีรินอัลลอฮุอะัวรลาอิลาฮิลอหละนะประมานนี้นะครับอินชาอัลลสุบฮานาอฺอัละอฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัอฮอัลลอฮอลฮัออลฮอัลลออลออ والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات